สิยงอ่านหนังสือเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่มสแรงบรนดานใจเล่มสหนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอร์ลันเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่ 2,445 จนถึงฉบับที่ 2,457 โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือถ้าดีพอไม่ต้องรอรางวัลซึ่งยังไม่เคยลงตีพิมพ์มาก่อนเข้าไว้ด้วย ในวันที่ผมเขียนคำนำนี้โลกเหมือนเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางออกเหลือแต่ช่องแคบแสนแคบผู้คนส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธากับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพความดีงามทั้งปวงกลายเป็นนิทานหลอกเด็กที่ถูกร้อยเาะอย่างโขบขันถ้าดูดีๆจะพบว่าโลกไม่ได้ทำอะไรเป็นแค่ลูกกลมๆ ล, ลูกใหญ่ให้เราอาศัยโดยแม่บังคับใครว่า ต้องอาศัยอยู่บนหลังมันด้วยท่านิ่งหรือตีลังกาล้มหัวอย่างไรมนุษย์เราเองนั่นแหละที่เป็นผู้กําหนดว่าจะให้โลกน้าอยู่หรือน่าอึดอัดจากประสบการณ์ของตนเองและการเห็นปัญหาของคนอื่นๆผมพบว่าเพียงขาดคําอธิบายที่ดีพอมนุษย์เราก็พร้อมจะเชื่อผิดๆและกระทําอะไรเพี้ยนเพี้ยนได้อย่างไร้สติไร้ขีดจํากัด วันนี้ยังมีบางคนเชื่อว่าโลกแบนวันนี้ยังมีบางคนฆ่าสัตว์ด้วยความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณมันจากทุกข์และวันนี้ยังมีคนเกือบทั้งโลกเชื่อว่ากรรมวิบากไม่มีจริงตายแล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเสวยบุญบาปหน้าประโลกอันใดทั้งสิ้นทำไมต้องเชื่อเชื่อแล้วได้อะไรความเชื่อใดถูกที่สุด ทางเดียวที่คุณจะได้คำตอบน่าพอใจคือต้องรู้เหตุผลที่จับต้องได้ในปัจจุบันเช่นถ้าอยากทราบว่าทำดีแล้วเมื่อไหร่จะได้ดีก็ต้องดูว่าแต่และความดีที่ทำลงไปนั้นพอสมควรแก่การได้รางวัลแห่งความดีแล้วหรือยังคุณจะพบว่าชีวิตทั้งชีวิตบางทีพลิกกันที่มุมมองนิดเดียวขอให้ลองอ่านหรือฟังบทส่งท้าย ถ้าดีพอไม่ต้องรอรางวัลในท้ายเล่มดูครับหลงชื่อดังตรินกรกฎาคมพุทธศักราช2548